บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปแต่กล่าวถึงเรื่องความไม่รู้ในอริยสัจสีมาโดยลำดับในส่วนของมรรคซึ่งถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้บุคคลหลุดพ้นจากความทุกข์ ประสบความสุขในฐานะนั้นๆจนถึงเข้าถึงความสุขที่สมบูรณ์ก็ยังมีการไม่รู้ในระดับต่างๆอยู่เป็นนั้นมากที่มีลักษณะอาการมืดบอดจริงๆด้กการชิงธทรรม ช, ชิงชังธรรมะปฏิเสธธรรมะไม่ยอมรับคุณค่าความดีงามของธรรมะเหล่านั้น ซึ่งคนเหล่านี้ชื่อว่าดําเนินชีวิตตนไปในทางแห่งความเสื่อมดังที่เทวดาตนหนึ่งได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าซึงเรื่องคนที่จะประสบความเจริญและประสบความเสื่อมว่าจะรู้ได้ยังไงกรับสั่งว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ไง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ไง่าย คือผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมซึ่งแสดงเห็นว่าบุคคลทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันในความรู้กับความไม่รู้ผู้ที่ใคร่ธรรมแสดงว่าท่านเหล่านั้นได้ผ่านการศึกษาผ่านการพินิจพิจารณามองเห็นคุณค่าสิ่งดีงามของธรรมะเหล่านั้น จึงเกิดความพอใจที่จะศึกษาที่จะประพฤติปฏิบัติตนไปตามหลักของพระธรรมคนนี้เพิงดูตัวอย่างคนที่ศึกษาจะเกิดความเข้าใจในพระธรรมคุณ mm. ก็จะมองเห็นพระธรรมคุณเหล่านั้นเป็นระบบเป็นกฎเกณฑ์ที่ตนจะต้องยอมรับนับถือศรัทธาและน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติ ผลคือความเจริญที่ตนต้องการก็จะบังเกิดขึ้นและความเจริญเหล่านั้นจะเพิ่มพูนขึ้นตามปริมาณของธรรมะที่ตนปฏิบัติได้อยากจะงจับได้แสดงไว้เป็นสามระดับใหญ่ๆเรียกว่าระดับมนุษย์สมบัติระดับสวรรค์สมบัติและระดับนิพพานสมบัติก็แสดงว่าผลของธรรมานั้นจะอํานวยประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะชาติปัจจุบันเท่านั้น แตยังจะติดตามตนไปในภพภายภาคหน้าตามโครงสร้างของการให้ผลแห่งกรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เป็นสามระดับระดับแรกก็คือการให้ผลในปัจจุบันระดับที่สองเป็นการให้ผลในชาติต่อไปคือชีวิตหลังตายระดับที่สามนั้นก็คือการให้ผลในชาติต่อต่อไป มาความว่าอาจจะชาติที่สองที่สามที่ ส, สี่ที่ห้าก็แล้วแต่จนกว่ า, า จ, จะสิ้นกระแสของกรรมเราัคนที่มองเห็นผลของธรรมะเป็นระบบเช่นนี้ก็จะเกิดเป็นความพอใจชอบใจในธรรมแต่ว่าก่อนจะถึงจุดนั้นเราจะเห็นปัญญาเกิดขึ้นหรือศรัทธาเกิดขึ้นตามสมควรแก่กรณี อย่าในกรณีของปัญญาที่เกิดขึ้นได้ศึกษาได้สาธยายพระธรรมกุฏปก็อยอมรับความจริงของธรรมะธรรมคุณในแต่ละบทที่ท่านแสดงไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าธรรมคุณเหล่านั้นที่จริงก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในสองข้อแรกเป็นการแสดงสถานะขององค์ธรรม เพาะวสวัาขาตัวเากตาธรรมโมจุดแปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วแสดงว่ายังไงแสดงไวอ้ไไวอย่างที่สุดสรรเสริญกันว่างามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐคือเนื้อหาและพยัญชนะคือภาษาที่สะท้อนเนื้อหาเหล่าดัน เป็นความสมบูรณ์พร้อมแม้ว่าองค์ธรรมบางหมวดบางข้อบางแห่งอาจจะมีอยู่เพียงข้อเดียวจะยกตัวอย่างว่าสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกซึ่งแสดงว่าทรงรับประการผลแต่ว่าเหตุนั้นบุคคลจะต้องประกอบกระทำเอาเองผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมพยายามฝึกให้มีสติอยู่ในอิริยบถ ท, ทั้งหลาย การทำการพูดทุกขณะมีสติกํากับการทำการพูดเหล่านั้นจนกลายเป็นคนที่เรียกว่ามีสติมาคือมีสติคุ้มครองใจใจมีสติตลอดคำว่เ า, าเผลอเรอหลงหรือพลั้งพลาดไม่เกิดขึ้นไปในใจจนถึงจุดหนึ่งเป็นสติวิปุโลที่ว่ามีสติภัยบูย์เต็มที่ ซึ่งคนระดับนี้มีได้เฉพาะพระอาหารหันต์สามประเภทเท่านั้นเองคือพระอาหารหันต์ัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกคนนอกจากนั้นไม่มีใครที่มีสติสมบูรณ์จึงแสดงเห็นได้ว่าถ้าเราปฏิบัติฝึกปลือเสริมสร้างสติไปโดยลำดับ<ๆ>ก็จะถึงจุดหนึ่งคือบรรลุมรรคผลเป็นพระหันไปได้ ส่นเหตุทรงแสดงไวเพียงข้อเดียวคือสติแต่ความไพ่บูรณ์ของสติสติเป็นธรรมะกลุ่มที่เราเรียกว่าพาเวตาปธรรมคือธรรมะที่เราจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติผลที่ทรงแสดงไว้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นธรรมะส่วนเหตุ โดยการกติรับสั่งแสดงว่าเหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงบนพื้นดินแล้วจะได้ผลของพืชชนิดนั้นหมายความว่าลําต้นกิ่งใบออกผลจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าบุคคลต้องปลูกพืชชนิดนั้นลงไปและขั้นตอนของการปลูกกับการให้ผลที่จริงมีช่วงระยะเวลาที่จะต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้พืชชนิดนั้นงอกออกรอกออกผลได้ตามที่ตนต้องการ หรือความช่วงตรงนั้นก็คงเป็นเหตุที่เจ้าของต้นไม้ต้นนั้นจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องกันไปแถึงจุดเดิมท้าก็รับรองผลว่าผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าเป็นต้นไม้ชนิดอะไรใช้เวลาเท่าไหร่นะั่นก็มีอีกเรื่องหนึ่งแต่การดูแลรักษาดีหรือไม่ดีเป็นต้นเข้ามาเป็นองค์ประกอบหรือบางครั้งทรงแสดงว่า วิริยนาดุขมัตเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรสรงรับรองผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ความทุกข์นั้นเป็นผลมันจะเกิดขึ้นมากระจากเหตุเพราะวความเพียรพยายามก็คือความเพียรทำลายที่เหตุและป้องกันที่เหตุถึงแน่นอนบุคคลจะรู้ต้องรู้ทั่วถึงเหตุในแต่ละระดับ เหตุแห่งความทุกข์ที่ยังไม่เกิดก็ต้องพยายามป้อง ก, กันไว้เหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามบำบัดเหตุแห่งความสุขที่ยังไม่มีก็ต้องพยายามสร้างให้มีขึ้นเหตุแห่งความสุขที่มีอยู่แล้วก็พยายามรักษาและเพิ่มปูนต่อไปเราจะเห็นการต่อสู้กันระหว่างสองเหตุ เหตุแห่งความทุกข์ได้ลดลงไปในส่วนที่มีแล้วที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาไม่ได้หรือเกิดขึ้นมาได้น้อยในขณะที่เหตุแห่งความสุขซึ่งยังไม่เกิดเราก็พยายามเพิ่มพูมพให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วเราก็พยายามที่จะรักษาไว้ก็จะมองเห็นปริมาณเหตุของความสุขเพิ่มขึ้นเหตุแห่งความทุกข์ลดลงในถึงจุดหนึ่งเหตุของความสุขเต็มที่ ซึ่งหมายความเหตุของความทุกข์ก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงถ้า บ, บคุคคลเหล่านั้นดำรงชีวิตด้วยความสุขเป็นปกติหมายความว่าความสุขตลอดระยะเวลาในแต่ละวันยีสชั่วโมงซึ่งผลเหล่านี้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความเพียรพยายามตัวเหตุคือความเพียรพยายามบคุคคลจะต้องลงมือปฏิบัติเอาเองพระเจ้าก็เป็นเพียงผู้บอกหอนทางให้ ได้างใรับสั่งแสดงว่าหนทางที่ไปสู่กรุงสู่บ้านเมืองนั้นมันมีอยู่ตอนนั้นประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็ทรงแสดงหนทางที่จะไปกรุงราชครึกว่าหนทางนั้นมีอยู่พระองค์อยู่ที่เมืองสาวัตถีก็บอกว่าจะไปเมืองราชครึกไปอย่างนั้นอย่างนั้น แต่จะถึงหรือไม่ถึงนี่มันอยู่ที่ไปหรือไม่ไปรองรับประกันที่ทางว่าถ้าเดินไม่ผิดทางแล้วจะถึงเพราะฉะนผู้ต้องการถึงมันก็ต้องเดินแล้วเดินโดยไม่ผิดทางถ้าผิดทางก็จะโทษผู้บอกทางไม่ได้ต้องโทษตนเองนี่คือธรรมะที่ส่งแสดงจะเห็นว่าบางทีก็มีข้อเดียวอย่างเนี้ แต่ทรงรับรองผลระดับสุดยอดเอาไว้หรือแม้ธรรมะในข้ออื่นๆเช่นปัญญายะบริสุทธิ์เจติติบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดก็เพราะปัญญาถามบริสุทธิ์หมดจดจากอะไรก็บริสุทธิ์หมดจดจากความชั่วร้ายทั้งหลายปัญญานั้นจะเกิดขึ้นเป็นสามระดับใหญ่ๆระดับของการศึกษาเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้อะไรเป็นอะไรต่นนั้นเองแต่ไม่มีผลในความเปลี่ยนแปลงด้านระดับจะลดกิเลสหรือว่าเพิ่มธรรมะเพราะเป็นการระดับของการศึกษาเรียนรู้คล้ายๆก็เราอ่านสลากยามันไม่ถึงก็หายโรคแต่เรารู้ว่ายานั้นมีส่วนประกอบอะไรจะรับประทานยังไง รับประทานเท่าไร่เวลาอะไรเวลาเท่าไรจำนวนครั้งละเท่าไหร่เป็นต้นมันก็ศึกษาไปอย่างนั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะหายโรคแต่รู้วิธีที่จะทำให้โรคมันหายสรงนี้อันที่จริงก็คือแนวของประยะิยัติศสตรธรรมแต่การศึกษาเรียนรู้แต่ว่าระดับของประยะิยัติศสรธรรมมันก็มีหลายระดับ อีกระดับหนึ่งก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิษการคิดการไข้ครควนการตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นล้วก็แยกแยะออกไปได้อย่างชัดเจนว่าอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติอะไรควรละอะไรควรเพิ่มอะไรควรลดอะไรควรตะดัปัญญาจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติป ฏ, ปฏิบัติ อย่างเช่นพิจารณาปัญญาก็เอาปัญญามาปฏิบัติพิจารณาเห็นคุณของความเพียรก็ความเพียรมาปฏิบัติพิจารณาเห็นคุณของสติก็มาเพิ่มพูนที่สติตัวเององค์ธรรมที่ทรงแสดงนั้นทรงจาแนกแสดงไว้โดยอเนกกระปรยายเกิดระยะต่างๆมากมายได้เกิดการที่มากนั้นที่จริงธรรมะไม่มากธรรมะโดยรวมมันก็มีอยู่สงสาย สายกุศลกับสายอกุศลถ้าเราสาวไปถึงต้นตอจริงๆก็มีสายของวิชากับสายของอวิชชาสายของวิชาก็คือความไม่รู้ความมืดบอดสายของวิชาก็คือสายของความรู้ก็เกิดเป็นเส้นทางเดินสองสายคือทางเสื่อมกับทางเจริญหรือเรียกเป็นองค์ธรรมว่กกมากุศลนกุศลกรรมอกุศลนั้นก็คือฉลาด อกุศลก็คือไม่ฉลาดก็คือโง่จะถามว่าทําไมโง่ก็เพราะเขาไม่มีวิชาทําไมฉลาดก็เพราะเขามีวิชาและจากจุดนี้เองก็สร้างบุคคลในโลกขึ้นสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มคนดีกลุ่มคนชั่วที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าผานและบัณฑิตทําให้วิถีชีวิตของบุคคลแยกออกเป็นสองฝ่ายคือประสบความทุกข์กับความสุข ประสบความเสื่อมกับความเจริญมันเกิดในสุกติกับในทุกติเพราะงั้นมันมันจะเป็นกระแสของธรรมะแล้วปริมาณของธรรมะที่มากรู้แล้วแต่มีที่ไปที่มาคือสืบเนื่องมาจากอาวิชากับวิชาทำนองคล้ายๆกับมีต้นไม้ขนาดใหญ่สองต้น เรามองจากปลายแล้วมีกิ่งใบดอกผลจำนวนมหาศาลมากแต่ประรสสาวลงถึงลำต้นจริงๆก็ปรากฏว่ามาจากต้นเดียวกันเพียงแต่ว่าแต่กิ่งก้านสาขาออกไปจากต้นนั้นเท่านั้นธรรมะที่ทรงแสดงจะมีลักษณะกันโด เ, เชื่อมโยงเข้ามาอย่างไงก็จะมาอยู่ที่ตัวอริยสัจ ท, ทั้งสีประการ โลกทั้งปวงเป็นอริยสัจพระเจ้าทรงศัตรุอริยสัจ ต, ตลอดระยะเวลาสี่สิ้าปีก็สอนเรื่องอริยสัจแม้ในขณะนี้เวลานี้ชีวิตของสปปรรพสิ่งและสปปรรพสัตว์ทางหลายก็อยู่ในกระบวนการของอริยสัจเพียงแต่ว่าเราจะจับมุมใดส่วนใดของเรื่องเหล่านั้นเข้ามาพูดมาแสดงแตนแต่ภาพปฏิบัติแล้วจะกระเทือนถึงกัน มันเหมือนกับเราพูดถึงต้นไม้ตอนเราพูดเฉพาะต้นไม้นั้นไม่แปลกคือมันพูดเฉพาะส่วนนั้นได้แต่ถ้าเราค้นต้นไม้แล้วทั้งต้นพังพูดถึงหรือไม่พูดพูดถึงก็พังถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราจะพูดถึงหรือไม่พูดถึงมันก็เกิดขึ้นนั่นคือลักษณะของกระบวนการแห่งธรรมะ เป็นพระธรรมคําสอนที่ทรงแสดงไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ปริยายนั่นคือนิยต์ต่างๆมากเพราะว่าลักษณะนิสัยพื้นเพกของโคนมันมาก ก, ก็เวลาที่ทรงแสดงมากแล้วก็หลากหลายธรรมะยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้เรามองตัวสภาวธรรมคือกลุ่มกลุ่มธรรมะแล้วจะเห็นว่าก็ซ้ําอยู่ตลอด เป็นการพูดเรื่องเดียวกันมันเป็นวิถีชีวิตคล้ายๆกับคนเราหายใจอยู่ตลอดกินอยู่ตลอดประสาสัมผัสก็พบอารมณ์ตลอดจิตก็คิดอยู่ตลอดก็จะเกิดจนตายมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ซ้ำๆสักๆพูเจ้าก็นำมาแสดแงไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ อากาลิโกรธรรมนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอะไรทรงแสดงว่าอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นว่าอบาญมุกเป็นเหตุของความเสื่อมก็เป็นเหตุของความเสื่อมอยู่อย่างนั้นไม่เคยเป็นเหตุแห่งความเจริญสิ่งที่บุคคลครบ หาสมาคมกับบัณฑิตแล้วจะประสบความเจริญก็ประสบอยู่อย่างนั้นเพราะธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นอย่างที่เขาเป็นเขาเคยเป็นมาอย่างไงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นต่อไปเขาก็เป็นอย่างนั้นถึงตามปกติแล้วเรามักจะปฏิเสธสถานะของธรรมะตรงนี้แต่บางทีนั้น สิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราไม่ต้องการมันอยู่ในที่เดียวกันเลยไม่รู้หมายความว่าอย่างไงมันก็แสดงให้เหนงึงงาวิชาที่มีอยู่ภายในใจคนเวถามว่าเราคนชอบแก่ชอบเจ็บชอบพลัดพรากสูญเสียชอบตายไหมไม่ชอบเวถามว่าชอบเกิดไม่ชอบนั่นแสดงวความต้องการคนมาขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง จุดหเราต้องการแต่เราปฏิเสธจุดหนึ่งซึ่งสืบเนื่องมาจากจุดนั้นคล้ายๆกับเราชอบกออุจจพิษแต่ไม่ชอบดอกอุจจพิษซึ่งไม่รู้จะทำยังไงเราต้องการเหตุแต่เราไม่ต้องการผลเพรา ะ, ะลักษณะเหล่านี้ก็คือเครื่องของความสับสนแสดงเหตุอาการของอวิชชาที่ยังมีอยู่ภายในใจ หรือแม้แต่ความต้องการที่เรียกว่าผู้เวศนาคือการแสวงหาพบของบุคคลทั้งหลายจะเรื่องบุคคลเราไม่ชอบความทุกข์แต่เาเ็าจริงเราก็ดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆซึ่งต้องแบกบต้องยึดต้องหาต้องหามต้องผูกพันอย่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็เดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นแต่เราทั้งดิ้นรนเพื่อได้พบชาติพบภูมิที่ดี ก็โดยอาศัยการเกิดในสถานที่เหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันที่เราต้องการพบภูมินั้นเราก็ปฏิเสธความทุกข์ทั้งๆที่ความทุกข์มันมาจากการเกิดมาจากการมีพบมีภูมิอยู่ลักษณะเหล่านี้จึงกลายเป็นความขัดแย้งทั้งหมดแต่ธรรมะนั้นแสดงความจริงความขัดแย้งนั้นมันเกิดขึ้นภายในใจคน ที่เพืเกิดการต่อสู้กันระหว่างวิชากับอวิชากตามปกติแล้วปริมาณของอวิชาค่อนข้างมากเพราะเราได้รับเชื้อทุกวันเชื้อของวิชามีน้อยให้ลองดูว่าการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสของเราสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นไม่ค่อยอยุติโ ด, ดยเหตุด้ดยผลเท่าไหร่ในเราศึกษาติดตามการขัดแย้งการทะเลาะวิวาท ข่าวสารการบ้านการเมืองอ ะ, อะไรต่างๆที่จริงนั้นเป็นเรื่องของความขัดแย้งแล้วเป็นเรื่องไม่ใช่สัจธรรมแต่เราผ่านนั้นพูดใช้อารมณ์ตัวเองเพรา ะ, ะสิ่งที่เรารับมาก็คือสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมเป็นการสะท้อนความขัดแย้งภายในใจของบุคคลที่เป็นการต่อสู้การระวังวิชากาวิชาแต่ผิดผลจากวิชารุนรน คือกุศลนับคือธรรมะที่พระเจ้าทรงประกาศทรงแส ด, แดงมีการรวบรวมเอาไว้ในพระไตรปิฎกแต่บุคคลก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมะเหล่านั้นมากนะัตอนการเพิ่มของกุศลกุศลภายในใจในแต่ละวันอากุศลก็เพิ่มได้มากกว่า ทำให้ความรู้เห็นตามความจริงไม่ค่อยจะเพิ่มขึ้นตามเหมาะตามควรแต่ธรรมะเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นในส่วนตัวสภาวธรรมคือองค์ธรรมอะไรที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นทุกเขาก็เป็นทุกของเขาจริงๆอะไรที่ทรงแสดงว่าเป็นเหตุของความทุกเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเราลองดูว่าตัณหาแต่ละตัณหา ทรงแสดงว่าเป็นเหตุของความทุกข์มันสร้างทุกข์มาตั้งแต่มันเกิดเกิดที่จิตแล้วแล้วจะเพิ่มปูนปริมาณของความทุกข์ขึ้นไปโดยลําดับเขาก็เป็นอย่างนั้นตลอดในโลกความดับทุกข์เขาก็เป็นความดับทุกข์จริงแล้วก็ส่งความดับทุกข์เอาไว้มักแต่ละข้อที่ส่งแสดงไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็าตาม ก็เป็นข้อปฏิบัติให้มีการลดละจางคลายความทุกข์ออกไปจากจิตใจได้จริงแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับการลเวลาแต่ภาคของการปฏิบัติภาคของการปฏิบัติจะส่มเน้นที่การปฏิบัติให้เหมาะสมเพระมาะธรรมะมันก็เหมือนกัะยายาจะดีพิเศษยังไงก็ตามก็ ต, กต้องดูสมุดฐานของโรคอาการของโรค แล้วยาที่วางไปนั้นจะต้องแก้ที่สมุทฐานของโรคได้เพราะยาบางอย่างจะไปแก้อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าธรรมะปฏิบัติมันไม่ถึงกับเป็นยาโดยสมบูรณ์เพรา ะ, ะไรเพราะจริงๆแล้วทุกข้อเนี่ยมันแก้ โ, กโรคปวดลงได้ เพียงแด ว, ว่ากาลเทศะกลุ่มคนบุคคลที่เราจะใช้ก็ให้ดูความเหมาะความควรนั่นก็คือการใช้เหตุผลที่ทรงใช้คำบาลีว่าอัถนยุตตาธรรมยุตตาให้เหมาะสมแก่สถานะของบุคคลความเหมาะความควรกาลเทศะปริมาณที่ใช้กลุ่มคนบุคคล อย่างที่เราพูดกันว่าทำดีให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนทำดีให้ถูกการทำดีให้ถูกดีทำให้พอดีไม่จะทำเกินดีหรือทำไม่ถึงดีหรือทำไม่ถูกดีหรือทำไม่พอดีอันนี้เป็นธรรมะในภาคปฏิบัติ ก็ทรงจำแนกว่าในภาคปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นคือใช้ธรรมะเป็นไม่ใช่ว่าฉันจะอุเบกขาซึ่งเป็นองค์ธรรมสาคัญแลฉันก็เวขากอฉันเรื่อยลูกจะซนลูกจะตกเป็นทาตของสิ่งเจ็บติดอบายามุกไปสิ่งรถแข่งกันเราก็อุเบกขาเป็นไปตามกรรมมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมะอย่างนั้นไม่ได้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองอย่างไม่หยุด ตางๆ ท, ที่ประมงหยุดแล้วแต่การบริหารการปกครองการดุดา่าการตำหนิจิเจียนการห้ามปรับการลงโทษตลอดถึงไล่ให้สึกไปเป็นเรื่องต้องกระทำเพราะนั้นคือการทํางานอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นก็แสดงว่าไม่จําเป็นจะต้องอยู่ด้วยอุเบกขาตลอดแต่ตอนใดที่ควรอุเบกขาเราต้องอุเบกขาได้ต้องเบกขาไม่ได้ก็เดือดร้อน แล้วจิตจะไม่มีที่พักของจิตหม่ตองสังเกตเราอีกภาคหนึ่งของธรรมะนั้นคืออคูสุทธ์ธรรมะก็อยู่พอดีตรงกลางลักษณะของพอดีนะเราจะมองจากอะไรก็ได้เช่นเราจะมีน็อตที่ไปขันเกลียวอะไรตะปูเกลียวไปขันน็อตอะไรกันตาเราเห็นภาพของคำว่าพอดีโต น, นิดหนึ่งก็ไม่ได้ เล็กเป็นนิดหนึ่งก็ไม่ได้มันจะขันนอตตัวนั้นไม่อยู่ตัวนรานั้นจะพอดีและจึงจะสามารถสำเร็จประโยชน์ได้แต่มาปฏิบัติก็ต้องมีเขาอย่างนั้นถือหมายความวม่าพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปในการประพฤติปฏิบัติจึงต้องเลือกเฟ้นทบจะให้ทานก็ต้องเลือกเฟ้น ว่าจะให้แก่ใครจะให้เท่าไร่จะต้องดูศรัทธาของเราดูกำลังทรัพย์ของเราว่าจะใช้ได้ในกรณีเนี้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วผลนั้นจะไม่จำกัดการหมายความก็เกิดปับ๊บเขาก็ได้ผลปุ๊บเช่นว่าละเหตุแห่งความทุกข์ปับ๊บก็ประสบควาสุขความสุขปัข๊บทันทีเมื่อง แต่อธิบายเลยไปจนถึงระหว่างมรรคกับผลมันก็เหมือนกับอะไรมรรคกับผลเนี่ยเหมือนกับเราจับน้ำแข็งกับความเย็นที่เราสัมผัสมันไม่ถูกขั้นโดยการเวลาเกิดจับปั๊บก็เย็นปุ๊บจ็บพลอยปั๊บก็ร้อนปุ๊บทําพลายเหตุแห่งความทุกข์ปั๊บก็สุขปุ๊บนี้ก็คือไม่ถูกขั้นได้วก่เป็นสภาวะของธรรมะที่เป็นอยู่อย่างนี้ หมายความคนจะรู้จริงจะเข้าใจจริงเนี่ยเขาจะชื่นชมในธรรมะที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าใคร่ธรรมคือพอใจชื่นชมยินดีในธรรมะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้คือมีวิชาเขาจะไม่มองเห็นคุณค่าของธรรมะตรงนี้และจะหาเรื่องคัดค้านท้งติง่งปฏิเสธต่างๆพูดเรื่องหนึ่งแล้วไปยกเรื่องดึงขึ้นมา บางทีก็ไปตั้งปัญหาพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าหือบางทีไปหยุดที่พระเจ้าประสูตธ์มาแล้วเดินด้วยประบาทได้เจก้าบางทีไปหยุดในตัวอิทธิปฏิหารต่างๆที่อาจารย์ในสมัยอดีตท่านรวบรวมเรียบเรียงไว้แล้วตัวเองก็ไม่ขยับขยี้นไปไหนซึ่งการคิดในลักษณะนี้มันก็เหมือนคนที่ถูกยิง หรือลูกศรที่คํำสาบแต่อย่าพิษมีคนต้องการจะถอนลูกศรเหล่านั้นออกไปจากตัวไม่ยอมให้ถอนแต่ต้องการรู้ว่าใครเป็นคนยิงทําไมจึงยิงยิงมาจาทางทา ง, ท, างทิศไหนลูกศร น, นี้ทำด้วยอะไรแล้วก็มีพิษหรือไม่มีพิษเป็นต้นคืออยากจะรู้ไปหมดในทสุดก็ตายไปดิ คือไม่รีบเร่งทำในเรื่องที่ควรทำแต่ไปทำในเรื่องที่ระพรานเวลาสูญเสียเวลาไป ม, มากนั้นก็แสดงให้เห็นว่าไม่รู้เหตุผลที่จะใช้ปัญญาคุ้มครองตนให้เหมาะควรแก่ขนาดนั้นนั้นจนถึงกบับปฏิเสธธรรมะชิงชังธรรมะรู้สึกว่าตัวเองถูกบีบถูกบังคับถูกควบคุมไม่มีอิสระ คนผ่านจึงไม่ยินดีในการควงธรรมในการอ่านธรรมะในการสนทนาธรรมะในการปฏิบัติธรรมซึ่งแน่นอนเขาจะต้องประสบความเสือ่อมเพราะอะไรเพราะความเจริญนั้นมันเริ่มต้นมาจากความพอใจยินดีในธรรมะความทุกข์ความเสื่อมทุกระดับมันเริ่มต้นมาจากการปฏิเสธธรรมะ อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงถึงว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วสมเป็นประโยชน์ซึ่งหมายความว่าถ้าศรัทธาไม่ตั้งมั่นก็สูญเสียประโยชน์ศรัทธาจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ปัญญาเพียงพินิษฐ์เห็นคุณค่าของธรรมะเห็นโทษของอาธรรมศรัทธาก็จะเกิดขึ้นได้ระดับหนึ่งส่งรอคอยความจเจริญเติบโตมั่นคงหนักแน่นในโอกาสต่อไป แต่ใจเริ่มจากการไปเสด็จธรรมความเสื่อมก็จ้องเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเขาจากเท่าที่เขาอย่างไม่หันมาชื่นชมยิน ด, ดีในกุศลธรรมแล้วก็เป็นเส้นทางที่เชีใย้เห็นระหว่างวิชากับวิชาที่นำพาชีวิตของบุคคลให้ไปคนละทางต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป